เทพเจ้าแห่งธรรมชาติในอากาศซึ่งประกอบด้วยเย็นร้อนหมอกลมฝนก็ได้มีคติเชื่อว่าสภาพธรรมชาติเหล่านี้นอกจากเกิดขึ้นตามฤดูแล้วยังมีเกิดขึ้นโดยเทพนดาลได้อีกด้วยคติความเชื่อนี้มีติดเข้ามาในคำพีพระพุทธศาสนาจนถึงมีรวมไว้หมวดหนึ่งเรียกว่าวลาหกสังยุตมีความย่อว่า เทพทั้งหลายนับเนื่องเข้าในพวกเวลาหกมีหลายจำพวกคือเวลาหกเทพแห่งความหนาวเย็นเวลาหกเทพแห่งความร้อนเวลาหกเทพแห่งหมอกเวลาหกเทพแห่งลมเวลาหกเทพแห่งฝนเหตุที่จะให้ไปเกิดเป็นเทพเหล่านี้คือประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจตั้งความปรารถนาจะไปเกิดเพราะชอบใจว่า พวกเทพเหล่านี้มีอายุยืนมีวันณะงดงามมีสุขมากตามที่ได้ยินมาทั้งได้ให้ทานต่างๆและเหตุที่ทําให้มีหนาวเย็นในบางคราวมีร้อนในบางคราวมีหมอกในบางคราวมีลมในบางคราวมีฝนในบางคราวคือพวกเทพเหล่านี้คิดว่าฉะนันเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเพราะความตั้งใจของเทพเหล่านี้ก็มี ความหนาวเย็นเป็นต้นเกิดขึ้นเรื่องเวลาหกเทพนี้มีเขามาจากความเชื่อเก่าแก่แต่ได้มาแก้ไขตามคติเทวดาในพระพุทธศาสนาดังจะพึงเห็นได้ว่าเทพเหล่านี้เป็นอุปาติกะกำเนิดคือพูดเกิดขึ้นเป็นตัวตนโตใหญ่ทีเดียวจัดเป็นสุขติภูมิจึงเป็นผลของกุศลกรรมและมีมากด้วยกัน บางเทพมีอำนาจบัรดาให้เกิดหนาวเย็นบางเทพมีอำนาจบัรดาให้เกิดร้อนบางเทพมีอำนาจบัรดาให้เกิดหมอกบางเทพมีอำนาจบรรดาให้เกิดลมบางเทพมีอำนาจบรรดาให้เกิดฝนจึงแบ่งออกตามอำนาจบัรดาเป็นห้าจำพวกเทพองค์หนึ่งมีอำนาจบันดาเพียงอย่างเดียวหรืออาจบันดาได้หลายอย่างไม่ได้แสดงไว้ชัดวิธีบรดาคือเพียงคิดว่า เฉห น, นเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนถ้าเวลาหกเทพแห่งฝนคิดถังนี้ฝนก็จะตกถ้าเวลาหกประเภทอื่นก็เช่นเดียวกันความคิดดังกล่าวเรียกว่าเจโตปนิธิแปลว่าความตั้งใจมีอำนาจบรันรดานให้เกิดผลขึ้นได้ตามอนุภาพของเทพผู้ตั้งใจมีเรื่องเล่าในอัตถิธว่าได้มีเวลาหกเท พ, พบทองค์หนึ่ง ไปหาพระเถระผู้ขี่นาศพองหนึ่งพระเถระถามทราบว่าเป็นเวลาหกเทพแห่งฝนซึ่งคิดให้ฝนตกได้จึงแสดงความประสงค์จะดูฝนตกเทวบุตรเตือนพระเถระให้เข้าไปในศาลาเพราะเจะเปียกขณะนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเมฆฝนหรือฟ้าร้องพระเถระล้างเท้าเข้าศาลายังไม่ทันหมดองค์ฝนตกสู้ลงมาเปียกท่านครึ่งองค์มีอธิบายว่า เย็นร้อนหมอกลมฝนเกิดขึ้นตามฤดูโดยปกติแต่โดยพิเศษเกิดขึ้นโดยอนุภาพของเทวดากล่าวโดวยเฉพาะฝนว่าย่อมตกด้วยเหตุแดอย่างคืออนุภาพนาคอนุภาพครุฑอนุภาพเทพทำสัจจะอธิษฐานมีฤดูเป็นสมุทฐานม่านบรรดาลกำลังฤทธิ์และเมฆฝนประไรกัน วลาหกเทพท่านว่าเป็นพวกเทพเที่ยวไปในอากาศคำว่าวลาหกในคำพีศั์เล่มหนึ่งแปลว่าสิ่งที่นำหรือผ่าน้ําไปแปลกันโดยมากว่าเมฆใช้เป็นเชื่อเรียกรวมของเทพเหล่านี้ว่าวลาหกกายคือหมู่หรือกลุ่มวลาหกน่าจะเป็นเพราะเป็นปรากฏการณ์ในอากาศด้วยกัน คติความเชื่อในปัจจุบันไม่ใช่อย่างนี้แล้วแต่ก็น่าฟังคติความเชื่อเก่าๆไว้บ้างและบางเรื่องเช่นเรื่องฝนที่ปรากฏในบางคราวก็ดูแปลกอยู่คล้ายมีจิตเจตนาในสังยุทธนี้ท่านก็ว่าที่มีโดยความคิดของเทพก็ในบางคราวไม่ใช่เสมอไปหรือโดยปกติซึ่งมีฤดูเป็นสมุดฐานธรรมชาติกับกรรมปัจจุบันของคน ความแปรปรวนหรือความเป็นปกติของดินฟ้าอากาศและพืชมีคติแสดงว่าเกี่ยวแก่กรรมปัจจุบันของคนเป็นเหตุข้อสำคัญอยู่ด้วยดังมีกล่าวไว้ในจตุกษนิบาตว่าในสมัยเมื่อราชาคือหมายถึงผู้ปกครองของรัฐสูงสุดทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้ประกอบราชกิจทั้งหลายพรามผู้เป็นขหบดีทั้งหลาย ชาวนิคมชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมตามกันไปโดยลำดับเมื่อหมู่มนุษย์ดังกล่าวไม่ตั้งอยู่ในธรรมจันอาทิตดาวนักษัตวคืนวันเดือนกึ่งเดือนฤดูปีลมต่างๆก็ยักเยื้องผิดปกติไปธรรมชาติจึงเกิดวิปริตผิดทางผิดปกติคือเช่นบังเกิดลมพัดผิดทาง ปิดฤดูการพัดต้นไม้หักโค่เทวดาทั้งหลายเดือดร้อนฝนก็ไม่ตกหลังทานน้ำสม่ำเสมอคือเกิดแรงฝนข้าวกล้าก็ออกเมล็ดผิดปกติหมู่มนุษย์บริโภคข้าวไม่ดีก็มีอายุสัน้นผิวพันธุ์ศร้าหมองถอยกำลังโรคมากแต่ในสมัยเมื่อราชาทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมผู้ประกอบพระราชกิจทั้งหลาย พราหมูกษัตริย์บดีทั้งหลายชาวนิคมชนบททั้งหลายก็ตั้งอยู่ในธรรมตามกันไปโดยลำดับจันทร์อาทิตย์คืนวันเดือนกึ่งเดือนฤดูปีลมต่างๆก็เป็นไปโดยปกติสม่ำเสมอวิถีทางลมเป็นต้นก็เป็นไปสม่ำเสมอโดยปกติเทวดาทั้งหลายก็ไม่เดือดร้อน ฝนก็ตกหลังทานน้ำสม่ำเสมอเป็นอันดีข้าวกล้าก็ออกเมล็ดสม่ำเสมอเป็นปกติหมู่มนุษย์บริโภคข้าวที่ดีจึงมีอายุยืนผิวพันผ่องใสมีกำลังไร้โรคาพาดมีฉันตะคาถาลงทายความว่าถ้ามือโคทั้งหลายข้ามไปอยู่โคหัวหน้าฝูงเดินไปคตโคทั้งหมดก็เดินคตในเมื่อโคนาฝูงเดินคต ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าถ้าประพฤติอาจ ร, รมประชานอนนี้ก็ประพฤติตามรัฐทั้งหมดย่อมเป็นทุกข์ถ้าผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรมถ้าเมื่อโคทั้งหลายข้ามไปอยู่โคผู้หัวหน้าฝูงเดินไปตรงโคทั้งหมดย่อมเดินตรงในเมื่อโคนาฝูงเดินตรงในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าถ้าประพฤติรม ประชานอกนี้ก็ประพุติตามรัฐทั้งหมดย่อมอยู่เป็นสุขถ้าผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรมบาลีในจตุกัดนิบาศตามที่ยกข้อความมากล่าวนี้สแสดงคติของพระพุทธศาสนาว่าไม่ได้ขัดขานคติความเชื่อเก่าตะบันไปหมดคติที่พอยกเข้ามาได้ก็ยกเข้ามาเป็นข้อปรารถเพื่อสแสดงธรรมแทรกเข้าผู้ที่ประสงค์จะสอนในภายหลัง เมื่อไม่ประสงค์ข้อความปราลบข้างต้นก็ตัดออกเสียแสดงแต่ข้อธรรมตามความในฉันทะคาถาข้างท้ายซึ่งเป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาโดยตรงคือมีลักษณะที่เรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นวิพัชวาทะแปลว่ากล่าวแบ่งแยกคือแบ่งแยกไปตามเหตุตามผลเป็นจริงเช่นที่กล่าวแบ่งไปตามกรรมและผลของกรรม ที่คนเรานี่เองทําในปัจจุบันนี้แหละดั่งความในฉันทคาฐานั้นในที่บางแห่งยกเรื่องเมฆเรื่องฝนฟ้ามาเป็นข้ อ, อประมาณเท่านั้นดั่งในจตุกขานิบาตนี่เองกล่าวถึงเวลา6คือเมฆหรือฟ้าฝน4อย่างเป็นข้อเทียบของบุคคลสี่จำพวกว่า 1. เวลาหคํารามแต่ไม่ตกคือฟ้าร้องฝนไม่ตกเป็นข้อเปรียบ ของบุคคลที่ได้แต่พูดแต่ไม่ทำหรือเพียงแต่เรียนแต่ไม่ปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมสอเวลา6ตกไม่คํารามคือฝนตกฟ้าไม่ร้องเป็นข้อเปรียบของบุคคลที่ทำแต่ไม่พูดหรือที่ไม่เรียนแต่ปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ 3. เวลา6ไม่คารามไม่ตกคือฟ้าไม่ร้องฝนไม่ตก เป็นข้อเปรียบเทียบของบุคคลที่ทั้งไม่พูดไม่ทำหรือทั้งไม่เรียนไม่ปฏิบัติให้รู้ 4. เวลาหกคำรามและตกคือฟ้าร้องฝนตกเป็นข้อเปรียบเทียบบุคคลที่ทั้งพูดทั้งทำหรือทั้งเรียนทั้งปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงคำสอนเรื่องบุคคล4จําพวกนี้เป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาโดยตรงเพราะแสดงเรื่องภายนอกเช่น เรื่องโลกธาตุเพื่อเป็นข้ออุปมาเท่านั้นไม่ได้มุ่งแสดงเรื่องภายนอกนั้นแต่มุ่งแสดงเรื่องสัจธรรมภายในเป็นข้อสําคัญอายุของชาวสวรรค์จะกล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องอสุรเทพซึ่งเป็นสตรูของพระอินท์เทวราชแห่งเทพชั้นดาวดึงในที่มาโดยมากกล่าวว่าท้าเวปจิตติเป็นราชาแห่งพวกอสุรเทพ แต่มีที่มาแห่งหนึ่งกล่าวว่าได้มีเมืองอสุ ร, ระอยู่สี่เมืองตั้งอยู่สี่ทิศแห่งต้นจิตปาตลีซึ่งเป็นต้นไม้ประจําพบอสุ ร, ระท้าเวปจิตะหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าเท้าสุจิตะครองเมืองทิศตะ ว, วันออกเท้าสมพรหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าเท้าสุจิครองเมืองทิศใต้เท้าผลิหรือ เรียกอีกนามหนึ่งว่าเท้าสุโรชะครองเมืองทิศตะวันตกท้าปหาราทะหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าเท้าราหูครองเมืองทิศเหนือสวรรค์ทุกชั้นที่กล่าวมาแล้วสรุปเป็นสามประเภทคือกามาพจรท่องเที่ยวอยู่ในกามได้แก่สวรรค์6กชั้นรูปปาพจรท่องเที่ยวอยู่ในรูปชานได้แก่รูปปภม อรูปปาพจรท่องเที่ยวอยู่ในอรูปฌานได้แก่อรูปภมฉะนั้นในสวรรค์กามาพจรหกชั้นจึงยังเกี่ยวข้องกับกรรมคุณท่านแสดงว่าชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงมีเหมือนมนุษย์ชั้นยามามีแต่กายสังสกขะชั้นดุสิตมีเพียงจับมือกันชั้นนิมมานราตีมีเพียงยิ้มรับกัน ชั้นปารานิมิตวัสวตัตตีมีแต่มองดูกันเท่านั้นส่วนในสวรรค์ชั้นรูปาพจรและอรูปาพจรที่เรียกว่าพรหมโลกทุกชั้นไม่เกี่ยวข้องกับกามในอัธกถาวิพังกล่าวว่าไม่มีเพศสตรีเพศบุุษในพรหมโลกในติกนิบาทแสดงอายุสวรรค์เทียบอายุมนุษย์ไว้ว่า50ปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ ชั้นจาตุมหาราชิกา30คืนวันเป็นหนึ่งเดือนสวรรค์นั้น12เดือนเป็นหนึ่งปีสวรรค์นั้น500ปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นจาตุมหาราชิกาเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์100ปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นดาวดึงนับเดือนปีเช่นเดียวกัน พันปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นดาวดึงเท่ากับสามโกด6ล้านปีมนุษย์200ปีมนุษย์เป็น1คืนวันสวรรค์ชั้นยามานับเดือนปีเช่นเดียวกัน 2,000 ปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นยามาเท่ากับ1ิบสีโกด4ล้านปีมนุษย์400ปีมนุษย์เป็น1คืนวันสวรรค์ชั้นดุสิตนับเดือนปีเช่นเดียวกัน 4 0พันปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นดุสิตเท่ากับ57โกด6ล้านปีมนุษย์800ปีมนุษย์เป็น1คืนวันสวรรค์ชั้นนิ ม, มานนรตีนับเดือนปีเช่นเดียวกัน8 0 0พันปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นนิ ม, มานนรตีเท่ากับ230โกดกับ4ล้านปีของมนุษย์ 1,600 ปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวตัตตีนับเดือนปีเช่นเดียวกัน 1,6 0 0พันปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นปรนิมิตวสวตัตตีเท่ากับ821โกรกับ6ล้านปีมนุษย์คือการคิดเทียบปีมนุษย์นี้คัดมาไม่ได้สอบดูว่าจะถูกหรือผิดอย่างไรส่วนเทพชั้นพรหมโลก ยิ่งมีอายุมากท่านว่า 1. พรมปาริสัชชะมีอายุเท่าส่วนที่สของกับคือ1ใน3ของกับ 2. พรมโปรหิตะมีอายุกึ่งกับ 3. มหาพรมมีอายุหนึ่งกับ 4. ปริตตาภะมีอายุสองกับ 5. อัปปมาณาภะ มีอายุ4กับ 6. อาภัสระมีอายุ8กับ 7. ปริตะสุภะมีอายุ16กับ 8. ปัอปมานัสุภะมีอายุ32กับ 9. สุภกินหะมีอายุ64กับ 10. เวห พ, พละและอสัญญีสัตมีอายุ500กับ 11. อวิหะมีอายุพันกับ 2. อัตตะปะมีอายุสองพันกับ 3. สุทัศมีอายุสี่พันกับ 14. สุทัศสีมีอายุแปดพันกับ 15. อาอกานิธะมีอายุหนึ่งมืนหกพันกับพร้อมเหล่านี้ 1-9 ถึงเเป็นชั้นรูปฌานที่1 2. 3สองส ชั้นละส10ซึ่งแ บ, บ่งเป็นสองถึงส5หเป็นชั้นรูปฌานที่สรวมเป็น16และ1 1ถึง15เป็นชั้ น, น, 4, น, 16, 15, น, นสุทาวาสสำหรับพระอนาคามีไปเกิดปริตตาภะเป็นต้นมักเรียกว่าปริตตาภาซึ่งติดมาจากเป็นคุณบทของภูมิทั้งถนัดลิ้นไทยเราเหมือนอย่างคำว่าศาสนาจากคำว่า ศาสนะซึ่งเป็นคำที่เรียกว่าอาการันแต่เราถนัดเรียกเป็นอาการันว่าศาสนากลายเป็นคำไทยที่ถูกต้องถ้าพูดว่าศาสนะก็เป็นผิดแปลกไปพรมทั้งสิบหกเหล่านี้เป็นรูปประภรมส่วนอารูปประพมอีกสี่ชั้นยิ่งมีอายุมากขึ้นไปอีกอรูปที่หนึ่งมีอายุสองห 0,000 ืนกับ อารูปที่สองมีอายุ4ี่0 0ื่กับอารูปที่ส ม, มีอายุ 60,000 กับอารูปที่4มีอายุ8ป0 0 0พักับอายุของสัตว์ในนรกอัมีแสดงถึงอายุสัตว์นรกเทียบกับอายุของสวรรค์ไว้ว่า500ปีทิพในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นคืนวันหนึ่งในสันชีวันนรก สัตว์นรกขุมนี้อายุ5 0 0ปีนรกนั้นพันปีทิพในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นคืนวันหนึ่งในกาลสุตตะนรกสัตว์นรกขุมนี้มีอายุ 1,000 ปีนรกนั้น2 0 0พันปีทิพในสวรรค์ชั้นยามาเป็นคืนวันหนึ่งในสังคาตะนรกสัตว์นรกขุมนี้มีอายุ 2,000 ปีนรก สี่พปีทิพในสวรรค์ชั้นดุวสิตเป็นคืนวันหนึ่งในโรลุวะนรกสัตว์นรกขุ่มนี้มีอายุสี่พันปีนรกนั้น800พันปีทิพในสวรรค์ชั้นนิ ม, มานารดีเป็นคืนวันหนึ่งในหมหาโรลุวะนรกสัตว์นรกขุ่มนี้มีอายุ800พันปีทิพนั้น 16,00 งันปีทิพในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัตสวัตตีเป็นคืนวันหนึ่งใน ตาปะนรกสัตว์นรกขุมนี้มีอายุ 16,00 งปีทิพนั้นมหาตาปณะนรกมีอายุกึ่งอันตรกับอเวจีนรกมีอายุหนึ่งอันตรกับกำหนดอายุที่ท่านแสดงนี้โดยการเทียบคือเทียบอายุของมนุษย์กับสวรรค์เทียบอายุของสวรรค์กับนรกแสดงว่าอายุของเทพมากกว่าของมนุษย์มาก และอายุของสัตว์นรกยังมากกว่าอายุของเทพไปอีกส่วนเทพที่เป็นชั้นพรมก็นับเทียบด้วยกับการของโลกมนุษย์เหมือนกันอายุของมนุษย์จึงน้อยมากพิจารณาดูตามวิทยาการในปัจจุบันวันเดือนปีของดาวพระเคราะห์ต่างๆเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์นี้ไม่เท่ากันยาวกว่าของโลกนี้มากก็มีพูดกันว่ายาวหรือสั้นก็โดยเทียบกับเวลาของโลก ถ้าในดาวนั้นๆมีคนเขาก็คงไม่พูดว่าเวลาของเขายาวหรือสั้นเพราะเป็นกําหนดที่พเหมาะหรือที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติของที่นั้นเว้นไว้แต่เขาจะมารู้เทียบกับของโลกนี้เข้าและเวลาดังกล่าวย่อมมีขึ้นเพราะมีเหตุให้เกิดเวลาที่นักเรียนได้เรียนกันอยู่ถ้าเหตุที่ให้เกิดเวลาแตกต่างกันเวลาก็ย่อมแตกต่างกันไปคือแม้ในโลกนี้เอง ในที่ซึ่งไม่มีเหตุให้เกิดเวลาก็ย่อมจะไม่มีเวลาเลยในโลกทั้งปวงย่อมมีเวลาเสมอมีพระพุทธภาษิตแสดงว่าการคือเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวเองฉะนั้นจะเกิดเป็นเทียบชั้นไหนก็ต้องถูกเวลากลืนกินคือต้องดับไม่มีที่จะสถิตอยู่เป็นนิรันด์แต่อาจจะมีอายุนานนักหนาได้ โดยเทียบกับเวลาของมนุษย์นี้ซึ่งความจริงหาใช่เร็วหรือช้าไม่เป็นเวลาที่พอเหมาะตามกำหนดสำหรับชั้นนั้นๆต่างหากตามพระพุทธศาสนาแสดงที่ซึ่งไม่มีการเวลาคือที่ซึ่งไม่มีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากอันเป็นเหมือนลูกศรที่เสียบจิตใจแสดงตามเขาความว่าใครก็ตามอยู่ในโลกหรือภูมิไหนก็ตาม เมื่อถอนลูกสอนที่เสียบใจนี้ห อ, อกเสียได้ก็ยอมบรรลุถึงที่ซึ่งไม่มีการเวลาที่นี้จะพึงบรรลุด้วยจิตใจเท่านั้นส่วนร่างกายเป็นโลกต้องตกอยู่ในอำนาจของเวลาคราวนี้นึกเดาดูเฉพาะทางจิตใจว่าจิตใจที่ไม่ดิน้นรนย่อมไม่เกี่ยวกับเวลาเลยคือไม่เกี่ยวกับอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรทั้งสิน้นเพราะไม่มีหวัง อะไรที่จะฝากไว้กับเวลาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทมปฏิบัติที่เมื่อบุคคลปฏิบัติเข้าทางแล้วทำย่อมอบรมกันเองขึ้นไปโดยลาดับดังนี้ศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตให้วิมุตตคือหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายจิตที่ปัญญาอบรมแล้วโดวยได้รับการอบรมมาโดยลาดับดังกล่าว ย่อมเป็นจิตที่รู้บริบูรณ์บริสุทธิ์พระราชากสอนเสียบหมดความดิน้นรนสงบพ้นจากอำนาจโลกที่มีเวลาทั้งสิน้นถึงธรรมที่เป็นอาการลิกธรรมโดยแท้ทำบุญแล้วอธิษฐานให้เกิดในสวรรค์ในอัตถกถาธรรมบทเล่าเรื่องเวลาของสวรรค์เทียบกับมนุษย์ไว้ว่าในดาวดึงสเทวโลกเทวบุตรองค์หนึ่งชื่อว่ามาลาภารี ไปเที่ยวชมอุทยานพร้อมกับหมู่เทพอับสรเทพธิดาองค์หนึ่งจุติในขณะที่กำลังนั่งอยู่บนกิ่งต้นไม้ให้ดอกไม้หล่นจากต้นรีระของนางดับหายไปเหมือนอย่างเปลวประทีปดับนั่งถือปฏิสนธิในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีเมื่อเกิดขึ้นึกชาติได้ว่าเป็นภรยาของมาลาภารีเทวบุตรจุติมาเกิดได้ทาการบูชาพระธนตรยัย ตั้งความปรารถนาจะไปเกิดในสํานักของเทพสามีอีกขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะกรุงสาวัตถีดังมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทำบุญกุศลต่างต่างและตั้งความปรารถนาข้อเดียวนั้นตั้งแต่อย่างยาววัยจนถึงได้นามว่าปฏิปูชิกาแปลว่าบูชาเพื่อสามีไม่เจริญวัยขึ้นได้สามีคนทั้งหลายก็เข้าใจว่าเป็นที่สมปรารถนาแล้ว นามีบุตรหลายคนโดยลำดับได้ตั้งหน้าทำบุญกุศลต่างๆเป็นนิดมาในวันสุดท้ายของชีวิตเมื่อฟังทำรักษาสิขาบทแล้วได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปัจจุบันบังเกิดในสำนักเทพสามีในสวนสวรรค์นั่นแหละขณะนั้นมาลาภารีเทวบุตรก็กำลังอยู่ในอุทยานหมู่เทพอับซรกําลังเก็บร้อยดอกไม้กันอยู่เทวบุตรได้ทัดถามว่า นางหายไปไหนแต่เช้านางได้ตอบว่าจุติไปเกิดในมนุษย์ได้เล่าเรื่องของนางในมนุษย์โดยตลอดและได้เล่าถึงความตั้งใจของนางเพื่อที่จะมาเกิดอีกในสำนักของเทพสามีปัตยนี้ก็ได้มาเกิดสมปรารถนาด้วยอำนาจบุญกุศลและความตั้งใจเทพบุตรถามถึงกำหนดอายุมนุษย์เมื่อได้รับตอบว่าประมาณร้อปีเกินไปมีน้อยได้ถามตอไปว่า หมู่มนุษย์มีอายุเพียงเท่านี้พากันประมาทเหมือนอย่างหลับหรือพากันทำบุญกุศลต่างๆเทพธิดาตอบว่าพู้มนุษย์โดยมากพากันประมาทเหมือนอย่างมีอายุตั้งอสงไขยเหมือนอย่างไม่แก่ไม่ตายเทพ บ, บุตรได้เกิดความสังเวชใจขึ้นมาเรื่องนี้ท่านเขียนเล่าประกอบพระพุทธภาษิตในธรรมบทข้อหนึ่งที่แปลความว่าผู้ทำที่สุดคือแห่งชีวิต คือความตายย่อมทํานรชนที่มีใจติดข้องในสิ่งต่างๆไม่อิ่มอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนเพลินเก็บดอกไม้อยู่สู่อํานาจดูความแห่งพระธรรมบทข้อนี้เห็นได้ว่ามุ่งเตือนใจให้ไม่ประมาทเพราะทุกๆคนจะต้องตายขณะนะที่ยังไม่อิ่มยังเพลิอนอยู่ในกามเหมือนอย่างเพลินเก็บดอกไม้ท่านจึงเล่าเรื่องเทพธิดาเพลินเก็บดอกไม้ ต้องจุติทันทีในสวรรค์เทวดามีอายุยืนนานคติภายนอกพระพุทธศาสนาว่าเป็นผู้ไม่ตายจึงเรียกว่าอมระคือผู้ไม่ตายก็มีแต่คติทางพระพุทธศาสนาว่ามีอายุยืนมากเท่านั้นเพราะมีหลักธรรมอยู่ว่าเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายจึงไม่รับรองเทวดามานพรมทั้งสิ้นว่าเป็นอมรคือผู้ไม่ตาย เมื่อเทียบระยะเวลาของมนุษย์กับสวรรค์ชั่วชีวิตของมนุษย์ที่กำหนดร้อยปีเท่ากับครู่เดียวของสวรรค์เท่านั้นเรื่องในอัตขกถานนี้ท่านเล่าให้มองเห็นว่าครู่เดียวจริงๆชาติหนึ่งของมนุษย์ยังไม่เท่าเวลาชมสวนของเทวดาครั้งหนึ่งท่านเล่าเรื่องในตอนท้ายให้เทวดาสังเวชมนุษย์ว่าประมาทแม้จะไม่ตรงประเด็นกับความในพระธรรมบทนะัก ก็ชวนให้เห็นว่าประมาทกันอยู่จริงพระธรรมให้เห็นชัดว่าชีวิตนี้น้อยนักเหมือนอย่างรูปเดียวจะแสดงอย่างไรให้เห็นชัดจึงเล่าเรื่องในสวรรค์เป็นเรื่องเทียบที่ทำให้เห็นชัดได้ทันทีว่าน้อยนิดเดียวนำใจให้เกิดสังเวชเกิดความไม่ประมาทขึ้นได้เร็วเป็นอันว่าท่านสอนได้ผลอันที่จริงเม็ดยาที่เคลือบน้าตาลเป็นของที่กลืนง่าย ถ้าคิดรังเกยียจสงสัยอยู่ว่าน้ำตาลเคลือบไม่ใช่น้ำตาลจริงไม่ยอมรับยาโรคก็ไม่หายถ้ารับยาเคลือบน้ำตาลที่ถูกโรคนอกจากโรคจะหายแล้วยังหวานลิ้นอีกด้วยคำแปลเทพ8พระพุทธศาสนาโดยตรงกล่าวถึงเวลาเพื่อแสดงธรรมเช่นที่สอนว่าพึงพิจารณาเนืองเนืองว่า วันคือล่วงไปล่วงไปบัตนี้เราทำอะไรอยู่ขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสียควรรีบทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้และแสดงความเนื่นช้าของเวลาว่ามีแก่บุคคลดังต่อไปนี้คนที่ต้องตื่นตลอดราตรีคนเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยสัตว์ผู้ท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏ ดังพระธรรมบทหนึ่งว่าราตีของคนที่ตื่นอยู่เป็นของยาวโยดของคนที่เมื่อยล้าเป็นของยาวสงสารของคนเขา่าไม่รู้สัตธรรมเป็นของยาวอันที่จริงเวลาราตีหนึ่งระยะทางโยดหนึ่งก็คงอยู่เท่านั้นคนที่นอนหลับสบายหรือคนที่ทำอะไรเพลิดเพลินก็ไม่รู้สึกว่ายาวอาจรู้สึกว่าเหมือนเดียวเดียว แม้เวลาตั้งกับกันก็เหมือนเดียวเดียวถ้าหลับเพลินอยู่คนที่แข็งแรงเดินเก่งและมีความเพลิดเพลินในการเดินโยดหนึ่งก็จะไม่รู้สึกว่าไกลจะรู้สึกว่าถึงเร็วแต่คนที่มีทุกนอนไม่หลับและคนที่เมื่อยลา้าจะรู้สึกว่าราตรีและโยดยาวมากเป็นเครื่องแสดงเทียบกับสงสารของคนเขา่าซึ่งจะต้องท่องเที่ยวไปยืกยาวนานไกลฉะนั้น เรื่องของเวลาหรือสถานที่จึงเกี่ยวแก่กายและใจของคนโดยเฉพาะเกี่ยวกับใจถ้าคิดเร่งให้เร็วก็เหมือนช้าหรือยาวถ้าคิดหน่วงให้ช้าก็เหมือนสั้นหรือเร็วความจริงก็คงที่อยู่อย่างนั้นอาการเกิดของเทวดามีกล่าวไว้ในอัตถคถาบางแห่งเป็นพิเศษว่าบุรุษที่เกิดบนตักของเทวดาเรียกว่าเทวบุตร สตรีที่เกิดบนตักของเทวดาเรียกว่าเทวทิดาเทวดาสตรีถ้าเกิดในที่นอนจัดเป็นปริจาริกาคือนางบำเรอถ้าเกิดข้างที่นอนจัดเป็นพนักงานเครื่องสำอางถ้าเกิดกลางวิมานจัดเป็นคนใช้เทวดาในคำพีพระพุทธศาสนาจัดเป็นอุป ป, ปาติกะกำเนิดทั้งหมดคำว่าเทวะในคำภีสัทธณีติ ให้คำแปลไว้8อย่างดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่เล่นคือด้วยกามคุณทั้ง5น่าจะหมายถึงว่ามีสุขสนุกสบายอยู่ด้วยที่พยะสมบัติทุกเวลา 2. ผู้ที่ปรารถนาคือจะชนะปฏิปักษ์คือต้องการชนะค่าศึกไม่ยอมแพ้ 3. ผู้ที่กล่าวคือว่าควรไม่ควรของโลก คือมีวาจาที่โลกนับถือบอกว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรก็เชื่อฟัง 4. ผู้ที่รุ่งเรืองสว่างคือด้วยแสงสว่างรุ่งเรืองแต่สรีระอย่างยิ่ง 5. ผู้ที่ได้รับความชมเชย 6. ผู้ที่มีผู้ใคร่คือจะเห็นจะได้ยินเพราะประกอบด้วยความงามเป็นพิเศษ 7. ผู้ที่ไปได้คือโดยไม่ขัดข้องในที่ตามที่ปรารถนา 8. ผู้ที่สามารถคื อ, อยังกิจ น, น, นั้นให้สำเร็จด้วยอานุภาพสมบัติ